6.1 พระพุทธเจ้ามีธรรมเป็นที่พึ่งวงเล็บเปิด15มิถุนายน2551วงเล็บปิดเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะเวลาอ่านพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าตรัสลู้แล้วท่านพิจารณาว่าท่านจะเอาอะไรเป็นสารณะพระพุทธเจ้ายังมีสารณะเลยนะอย่างพวกเรามีไตราสารนคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้ามีใครเป็นที่พึ่งท่านบอกว่าท่านมีธรรมะเป็นที่พึ่ง แต่เดิมไม่เข้าใจว่าเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นอย่างไรเพราะธรรมะมีตั้งเยอะแยะไม่รู้จะเอามาเป็นที่พึ่งได้อย่างไรความจริงเมื่อท่านไปเห็นสภาวะธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งแล้วท่านจะรู้เลยว่าที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้เองท่านเข้ามาถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงนี้แล้วธรรมะที่พ้นจากความทุกข์พ้นจากความปรุงแต่งนี่แหละเป็นที่พึ่งส่วนธาตุขันเป็นของโลกเมื่อยังมีธาตุมีขันอยู่ก็เอามันมาทําประโยชน์เที่ยวอบรมสั่งสอนผู้คน พระเนนเถนฉีสอนไปหมดสอนเทวดาสอนมนุษย์จนวันปรินิพานท่านก็ทิ้งธาตุทิ้งขันไปเพราะฉะนั้นพวกเราต้องศึกษานะค่อยๆเรียนไปเพื่อวันหนึ่งจะได้สิ้นทุกข์ตามท่านไป